คือเมื่อกี้ที่ผมถามเนี่ยในเรื่องกล่องกระดาษเมื่อกี้เนี่ยพอดีตอนที่ผมเข้าไปหาสื่อใน y o u t u เนี่ยเพอิรดมันมันก็ไปที่คลิปอันเนี้ยผมก็เลยผมกล็ลองเปิดดูก็ไม่ได้รู้จักเพลงอะไรหรอกแต่ก็นั่งดูไปเรื่อย แป๊หนึ่งผมก็เริ่มสงสัยว่าทำไมกระดาษมันจึงกลายเป็นคนนึกออกไหมพอมันดูแล้วมันเริ่มปรุงกระดาษขึ้นมาเป็นคนถ้าเราปรุงกระดาษขึ้นมาเป็นคนสักพักคนจะเริ่มมีอารมณ์ สักพักเราจะเข้าไปเป็นคนสักพักทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นเรานมันจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ตั้งมั่นเราจะไม่รู้ตัวการจัดกระดาษ เป็นท่าทางแล้วเขียนกลมๆแล้วเส้นโค้งมีมเรา2คนที่ไปพูดกันแต่เรากําลังทํ<ค>า <ำ S 2> <น>มันขึ้นมานเป็นอะไรบางอย่างทงเราเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยคุณเป็นคนที่หินหาต่างคนคิดไปว่มีเรื่องราวต่างใจคิดกันไปเองทุกอยา่างต้องไกลหาเป็นคนได้ล่ะเปลี่ยนแปลง ม, ม่เห็นีลมันเป็นกระดาษ <c oughs> แต่มันคนในใจเราแล้วแล้วเราทำท่าจะอินอ่ะไหนว่าไม่ร้องไห้ไง <c oughs> รู้ลมไว้ถ้าอยู่ตรงนี้ตั้งมั่นได้แค่นี้นะเดี๋ยวออกไปจะเหนื่อยน ะ, นะมันจะปรุงขึ้นมาเป็นคนอ่ะลองดูซิ ลองให้มนันเป็นครูสอนกรรมฐานหน่อยมความหมายกลกลายเป็นวันที่ดูไรค่ค่ะโหวถ้าดูออกนี่สำ ม, มารถสำ ม, มารถที่ใช้ได้เลยนะมื่อเือก็ยังไม่พูดจังและฉันก็ทําเป็นเช้ยชายดูข้างนอกดูข้างใน จคองงพูดกันยงงนยนาิามันจะเกิดเป็นอารมณ์เนี่ยเกิดเป็นอารมณ์ถ้าเราไล่ต้นมันไม่เจอเราให้ไปสังเกตว่าเราเริ่มมีอารมณ์แล้วก็รู้ลมตั้งมั่นไว้แล้วก็ดูใหม่เดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่เอาแตให้มันเห็นว่าเป็นอารมณ์มันทําท่าจะเป็นคนขึ้นมาเป็นนามรูปขึ้นมา บางคนดูแล้วมันว้าวเวมันรู้สึกมันว่าเห็นไหมไปแล้วมันว้าวเวไปไกลกองกระดาษเนี่ย <c oughs> แล้วจะโดนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวมันจะยากไป <c oughs> สกิดสกิ ด, นะกดถ้าเราต้องการจะใช้ชีวิตอย่างนี้ แล้วมองถึงปลายทางแบบที่พระศาสดาตรัสไว้เราต้องภาวนาจะบอกว่าหนึ่งเดือนละกันถ้าบอกว่าก็หนึ่งเดือนบ่อยๆแล้วเราจะไม่ไหลลงไปในอะไรแต่เราจะเห็นอะไร ไม่ต้องเข้าไปดูถึงขนาดนั้นแ่ะแต่พอมันจะเข้าใจได้เข้าใจได้ผมเห็นแล้วก็เอามาฝากแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเอามาฝากก <c oughs> ็เห็นว่าอือก็แปลกดีนะแต่ถ้าลงไปในเนื้อเรื่องปั๊บจบเลยโดนมันดูดเข้าไปคำว่ารูปนามก็จะไม่มีอีก กลายเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดปรุงแต่งที่ไหนปรุงแต่งที่ใจเพราะว่าภาพทั้งหมดเป็นกระดาษแล้วมีกลมกลมแล้วก็มีปากโคง้งโคง้งไม่ไม่ใช่ปากด้วยเส้นโค้งกับวงกลมสองอันบนกล่องกระดาษแต่ถูกเราสร้างขึ้นมาเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้วบางที ไปยิ้มแล้วก็ว้าวเวไปกับมันอะไรเงี้ยคือเนี่ยเราโดนองค์ประกอบทุกอย่างลากเข้าไปหมด น, นะนะถ้าเราเอาอาวุธของอาวิชามาแทงมันกลับอย่างเนี้ยมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วในที่สุดมันเสร็จแน่เอาอาวุธศัตรูพิ่าศัตรู ฉันจอมยุทธผู้นั้นต้องตั้งมั่นมากนะครับเดินเดี่ยวโดยไม่มีอาวุธถามว่าอาวุธอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศัตรูไม่ใช่อาวุธจะบอกกระบี่อยู่ในใจก็ไม่ใช่กระบี่อยู่ที่อยู่ที่เขาไม่ต้องพกข้ออะไรมาก็เอานั้นกลับไปแล้วเราก็เดินทางต่อเอาอะไรมาก็เอานั้นกลับไป ฉันตอนนี้ต้องฝึกความตั้งมั่นไว้ฝึกความตั้งมั่นไว้เรามีจิตมีธรรมชาติไหลจิตมีธรรมชาติไหลเห็นอะไรปั๊บจะไหลพอไหลปั๊บมันก็จะปรุงแต่งเลยแตพอมันไม่ตั้งมั่นมันก็จะปรุงแต่ง